ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริภูมิทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันหรยสิบเก้ารายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริภูมิจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสนับสนุนวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิริภูมิเป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนีเช่น ค, ครับรายการกับพัฒนาประเดชพระคุณพระเทศดิหลกวัดบางวรรษเป็วิหารเป็นวิกรตอบปัญหาธรรมะครับศูนย์สองสองสี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการครับวันนี้ทางรายการจัดเป็นรายการสดก็เชิญทุกท่านสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะอตอบปัญหาธรรมะนะครับวันนี้ขอแจ้งข่าวไปยังแฟนรายการเสียงธรรมทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานในพิธีถวายปริญญานิเทศสาสตรุษฎีบันทึกทิมัสก์ นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดถวายแด่ ท่านพระเทวีโลกนะครับนาคารอนเนกประสงค์มหาเัยสิบทุมโดยในพิธีในวันนี้นะครับท่านจ้าันศุสเดนยตุพชาติอาจารย์ประธานคณะผู้บัตคนาที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้เป็นประธานในพิธีนะครับเราเริ่มเวลาตั้งแต่เวลา13เนกา30นาทีเป็นปต้นมาได้มีการแสดงปาตกถาธรรมนะครับโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์หลังจากนั้นแล้ว15เนกาเป็นต้นไปก็มีพิธีถวายปิญญาณีเทศาดุสเดีปบันิธิติมสัก นะครับสาขาการประชาสัมพันธ์นะครับแด่ท่านอาจารย์ของเรานะครับวันนี้นะครับมีพระสงฆ์แล้วก็พระเถเรซาเถระได้มาร่วมงานอย่างมากมายเยนะครับห้องประชุมของมหาวิทยาลัยครับแคบไปเลยนะครับเราจัดไว้สถานที่ไวล้งลงรับประมาณสี่ร้อยท่านนะครับก็มีแฟนรายการเสียงทําหลายท่านได้ไปร่วมงานในวันนี้แล้วปลาปลื้มใจมากนะครับผมขอแยกประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก่อนล่วงหน้าคือว่าท่านพลเด็กเสรีพผู้เข้ามานะครับ อ, อ, อยากจะบอกแฟรรายการมาแฟรรายการที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วอยากต้องการหนังสือสูจิบัตนะครับซึ่งเป็นหนังสือสีสีสวยงามมากนะครับทั้งเริ่มเลยนะครับ ประมาณ60หน้านะครับและข้างในเนี่ยครับมีบทความซึ่งเขียนโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพดิลกของเรานะครับอยู่หลายบทความนอกจากนั้นแล้วยังมีคําสิทธิ์เกิยติคุณนะครับและผลงานของท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่ามีหนังสือแปดสเล่มเนี่ยครับที่เรารวบรวมไว้ในห้องสมุดเราเนี่ยมีหนังสือชื่ออะไรบ้างน่าเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับและเก็บไว้สําหรับแฟร์รายการเนี่ยถ้าต้องการนะครับจดหมายมาได้นะครับ เราขอเป็นจำนวนจากัดนะครับเพราะว่าเราพิมพ์สองพันเล่มคารได้แจกไปมาณเกือบพันเล่มแล้วนะครับขอความกรุณาเขียนจดหมายมาที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีบุตรพุมหกสิบเอ็ดประหลโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งศูนย์้าศูนศูนย์นะครับท่านผลเอกเสรีบุคมาและท่านดรธิติพรพุญญาพรบุคมาจะจะส่งเป็นธรรมบรรดาการแด่ท่านผู้รับฟังในขาวทุกท่านนะครับท่านผุน้ยอาจารย์ครับวันนี้เอท่านผุ้ยอาจารย์ได้เอ่า เข้าร่วมในพิธีถวายปิญญานะครับถึงอยากจะทราบถึงความรู้สึกหน่อยนะครับเจ้าหนุ่ยใจครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเจ้าหนุ่ยใจครับก็รู้สึกตื่นเต้นน่ะนะฮะคือไม่นึกว่าจะมีการจัดพิธีใหญ่โตขนาดนั้นคือมาก็เคยเป็นยาตรีเนี่ยมันเขาตอนตอนจบเป็นยาตรีก็ยังไม่ได้รับเพราะว่ามันอยู่เป็นช่วงๆเราก็ไปต่อเป็นญาโทซะก่อนแล้วกลับมามันก็ไม่ได้ไปใช้อะไรก็เลย ไม่ได้รับไม่ได้ทำพิธีรับปัญญาโท ก, ก็ส่งมาจากอินเดียส่งส่งใส่กล่องมาแล้วก็ปัญญาเอกสาสาขาพุทธศาสตร์สมเด็จสังราษประธานเป็นกิจลักษณะที่พุทธมนทนคราวแรกแล้วคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นพิเศษแล้วก็สมัครพระองค์เดียมาว่าลงทุนจนเรารู้สึกว่าเป็นการรบ ก, กวนฮะแล้วก็ รู้สึก ด, ดีใจที่ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตลอดถึงคําขวัญต่างๆที่ผู้ใหญ่ท่านขีดเขียนมาเนี่ยก็แสดงว่าท่านท่านรู้จักท่านรู้จักในด้านผลงานต่างๆแล้วก็พูดก็ได้ถูกต้องก็ต้องขออนุทนาต่อคือจริงๆอะมาเกรงเกงเก่งใจคนเอกเสรีท่นานปธิการนะครับเพราะว่าท่านเอื้อเฟื้อมานานหลายครั้งหลายเรื่อง นะแม้แต่กุฏิที่มาอยู่ท่านก็ไปซ่อมให้อะไรแต่ไรเนี่ยพอก็เสนอก็อาจารย์ก็จะเห็นว่ามาก็ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร <laughs> คือคือ <laughs> ก็ไม่สมัครใจจะรับนะฮะจริงๆรู้สึกจะเป็นงานรบกวน แต่ว่าเมื่อก็ตั้งกุศลเจตนากันมาขนาดนั้นก็ต้องต้องอนโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ญาติโยมเองลูกศิษย์ลูกหาที่เขาไปกันเดียววันนี้นะฮะเขก็แสดงความชื่นชมยินดีกันครับก็เป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งก็ประกวดว่ายาดพี่น้องจะต่างจังหวัดก็ยังมากันเลยไม่รู้ใครบอกกันก็มากันก็ก็ต้องต้องต้องขอขอบใจและขอโมทนาต่อพลเอกเสรีท่านอธิการแล้วก็ สภามาวิทยไลตลอดถึงทุกทุกท่านนะฮะก็ที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนในในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการให้ในสายที่มากำลังทำงานอยู่ตลอดรเวลาห้าสิบปีนะเราก็คงทำงานในสายนี้อยู่ตลอดไปแล้วก็คงจะเป็น เป็นเกียรติบวัดของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดุษฎีจากศรีปฐุมอยู่อยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับตอนเขาขอนมุนาท่านผู้วิจาร์ครับที่สมเด็จท่านพระพิจารย์ได้กล่าวไบเขียเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเจ้าวัวอาจารย์กับคือเรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยนะครับว่าเจ้าวอาจารย์เป็นกำลังสาคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับอย่าในฐานะที่ผมเป็นผู้านสน คนหนึงนะครับอยากจะทราบว่าท่านโคนจันเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับแล้วที่ท่านโคนจารย์กล่าวในพิธีว่าจะขอรับชงศาสนาจนมันตายเขาตัา้งใจครับตรงนี้คือมันมันมีความรู้สึกรู้สึกผูกพันกับพระศาสนาครับคือเรายังมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ไม่มีวันเนี้ครับแล้วก็ตั้งใจจ ะ, ะทุ่งเทชีวิตเพื่อรับใช้พระศาสนาไปจนกว่าจะ จะสิ้นลมปลาเนี่ยนะและที่จริงมาเป็นคนที่คิดลึกๆไปโดยท่าไปนะครคือยังไม่ปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลในลาบเท่าที่พระพุทธศาสนายังอยู่เป็นความคิดคล้ายๆกับท่านสีเทวมิตรอนาคาริคธรรมปาละคือต้องการเกิดเป็นชาวพุทธแล้วทํางานรับใช้ศาสนาไปทุกชาติทุกชาติแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ขอในโน้นแหะตอนศาสนาจะหายไปจากโลก คือคื อ, ค, อคิดว่ า, อ ย, าอย่างท่านสีเทียวมีดเนี่ท่านบอกท่านขอเกิดอีกยี่สิบพลาชาติเป็นเชื่อแบบลังกาแต่มา ก, ก็ก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นหรอกแต่เราก็คิดว่าทํำยังไงว่าเรามีพื้นฐานโน้มเอียงทางศ า, าสนาเกิดชาติหนึ่งชาติใดก็ให้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีกุศลเจตนาที่จะรับใช้งานพระศาสนาตลอดชีวิตในแต่ละชาติมันคิดเรือดอดอย่างนั้นท่านคิดคิดคิดไปไกล ตอนก็จึงทุ่มเทมากในในงานในเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็สมเด็จพระพุทธาจารย์ที่จริงถ้าพูดถึงท่านท่านถ้าไม่พูดในทรรกลางนั้นท่านท่านพูดได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นนเพราะว่าก็คล้ายๆจะมายอกันเองเลยแต่ท่านก็ไม่ค่อยกล้าโยกครับทครับเพราะว่าท่านท่านมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีอรตมมาอยู่เนี่ยอันตรายใช่ครับ แล้มาเอาชีวิตเข้าตัวเองเขาเสี่ยงตั้งสองสมครั้งนะ ใ, <ช>ในงานศาสนาเนี่ยซึ่ ง, งถ้าในแง่มุมประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและเราก็มีส่วนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นทุกครั้งที่เกิดหิกิจการขึ้นก็สมเด็จท่านท่านพูดบ่อยเจอก็ท่านก็พูด บางทีท่านท่านยกย่องจนจนเราสะดุง้งเลยบอกนี่ถ้าไม่มีท่านจาคุณเี่เราคงอยู่ไม่ได้นะยกยกย่องจนเราเขินไปเลยค <c oughs> แต่วันนี้ก็เขินนะก็คือที่จริงท่านก็สะดุดีกันเยอะครับ <นะ S 1> ท่านครับก็นับเป็นครับคำเสียดีกิติคุณนะครับแล้วก็สมโมทีคถาที่ท่านเจ้าะคุณสมเด็จพระเทเจ้านะครับได้กล่าวไว้อ้าพรุ่งนี้นะครับท่าพนรพระเดชเสด็จผู้ามา น, นะครับก็จะได้นํา นะครับเสียงของสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับที่กล่าวถึงท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเรานะครับได้มาออกในรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปฐุมพรุ่งนี้นะครับรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกอบปรออเอ็มหแห่งนี้นะครับขออนุญาตไปที่สายก่อนนะครับมารอกันนานแล้วนะครับสวัสดีครับพิธีการครับอ๋อตาเปัญหาของอะไรนะครับครับเชิญเลยครับคือตอนเรานอนหลับประมาณเที่ยงคืนถึงตีสาม ถ้าเราปขึ้นมาเราจะเห็นเป็นวิญญาณครับถ้าเราไม่ได้จ้องมองเขาจะอยู่นานพ อ, อสมควรถ้าเกิดเราต้องมองพุกเขาจะหนีไปทันทีเลยมันเป็นข้อเหตุหนึ่งมันเป็นข้อยกเราริกเปล่าอีกข้อหนึ่งข้อสองสมมติว่าในหมู่บ้านจะมีคนตายวันหนึ่งหรือสองวันก่อนคนตายอ่ะเราจะได้กินพูดถ้าไม่ได้กินทุบก็กินเหล้าถ้าเป็นคนกินเหล้าเราเราจะได้กินเหล้า แล้วไม่งั้นก็จะมีลงกระโชกแรงๆตอนเช้าเสียาสายอ่ะหนึ่งวันหรือสองวันก่อนหนึ่งคนตายครับผมมันเป็นอันตรายต่อเราไหมครับผมครับแล้วฟังทวิทย์นะครับครับก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะว่ า, าจริงๆเขาก็มีสัมผัสพิเศษสัมผัสพิเศษสัมผัสพิเศษส่วนตัวเท่านั้นเองแต่ว่า ก็ไม่จำเป็นจะต้องจริงทุกคราวไปตแต่ว่าเป็นข้อมูลระดับหนึ่งส่วนการเห็นในลักษณะนั้นทาให้สบายใจก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศสไปให้นะและแผ่เมตตาอะไรก็ได้ก็จะหายไปเองอส่วนได้สัญญาณในลักษณะดังกล่าวนั้นก็คงจะไม่ใช่ทุกกรณีเพราะว่ามันขึ้นอยู่สภาพจิตที่พร้อมจะรับสัมผัสเ่านั้นถูกไหมคือจิตเราต้องนิ่งบสมคว ร, คร แต่ว่าเอ่อถ้าวันนั้นจิตเราไม่นิ่งเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ล่ะครับครับผมขอคุณที่จรกจาคสายที่สองครับสวัสดีคกาแฟรายการครับสวัสดีครับนักขาวนรมาสตารหนึ่งข้อด้วยนะครับเอ่อขอสอบถามปัญหาทั้สองข้อนะครับครับผมเอ่อข้อแรกอยากจะทราบว่าทําไมเดี๋ยวนี้ครับมีหนังออกมาฉายล้อเลียงพระพุทธศาสนาบ่อยมากเลยครับครับผมเขาต้องการสื่ออะไรนะครับ อย่างเรื่องล่าสุดในโคยเธยอมเนี่ยนะครับเห็นว่าทางสํานักพูดออกมาตรามอยู่เหมือนกันนะทําไมถึงฉายได้ะครับครับผมข้อที่สองนะครับครับผมแล้วดาราตลกที่เขาแต่งตัวเลียนพระเนี่ยเขาบวชถูกต้องตามหลักวิญัยหรือเปล่าหรือว่าเอาชีวอนผมเฉยๆครับถ้าถามว่าเป็นกรณีหลังเนี่ยขออภัยนะครับพระผู้ใหญ่เนี่ยจะมีวิธีป้องกัมอย่างไรบ้างครับหรือว่าจะถืออุเบกขาแล้วมีเมตตาอย่างเดียวครับเราฟังนะพี่ยุ่นะครับขอบคุณมากครับ ที่จริงปัญหาที่โยมถามเนี่ยมาเองก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะเพราะว่าวันก่อนก็พูดไปเตือนไปทางช่องสามอะไรก็อารหาหันอะไรก็อารหาหันสียอรหันสิบห้าอารหารันเจ็ดอารหารันเก้ 9, อาอรหาหันแล้วก็เจออาจารย์อุดมจันภาสซึ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ช่องสามก็บอกว่าไปขอเตือนเถอหน่อยเธอว่าคุณเอาพระอารหารันมาเรียกอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นอภิมงคล แล้วคุณก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาหรอกครับ <Okay. S 1> เพราะว่าคุณไปล้อเลียนขนาดพระอราหันเนี่ยมันเป็นบาปกรรมติดตัวครับแล้วก็ต่อมาก็มีพระอรหัน์ชาวนาที่ถามเรามานะมาก็ไปถามที่กระทรวงว่าทำบัญก่อนประหลัดกระทรวงเขาก็สั่งให้ไปศึกษาติดตามเรื่องเหล่านี้แล้วก็เนี่ยโกยเธอโยมอีกครับ คือเวลาเนี่ยสิทธิการใช้สิทธิเสรีภาพของคนไทยมันไม่มีกรอบเพราะว่าคนระดับปัญญาชนไปยืยนฉีกบัตรเลือกตั้งให้เห็นก็ยังไม่ผิดกฎหมายครับทีนีมน้มันเมื่อมีตัวอย่างในทางไม่ดีอย่างนี้ว่าคนอย่างนี้ทําได้คนอื่นก็ทําได้แล้วในที่สุดเนี่ยบ้านเมืองจะร้ายหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพราะงานเรื่องสิทธิเสรีภาพเราต้องชัดเจนว่าสิทธิของเราเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรหรอก ครับนะเดินเหยียดเท้าคนอื่นมันก็ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วนะฮะเดินไปกระแทกคนอื่นล้มเนี่ยมันก็ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วเสรีภาพเราจริงไม่มากแล้วก็สิทธิเราก็ไม่ได้มากอะไรในขณะเดียวกันเราต้องเคารพสิทธิบุคคลอื่นเรานั่งที่ยิ่งแคบเนี่ยสิทธิในการนั่งของเราจะแคบตามนะเพราะคนอื่นก็ต้องนั่งด้วยครับแต่ว่าเราก็ใช้สิทธิกันฟุ่มเฟือยนะเช่นว่านั่งขวางอยู่ริมพุทบาท ขายของดื่มฟุตบาทและตะไลสารพัดอะไนี่เราเจะเห็นว่าสิทธิเสรีภาพนี่ฟุ่งเฟือยครับขนาดนายกรัฐมนตรีไปไหนยังกลัวการตะโกนประท้วงจากคนเพียงไม่กี่คนแล้วบอกว่าเป็นสิทธิที่เขาจะทําได้ครับที่จริงมันละเมิดแล้วมันไม่มีสิทธิอย่างนั้นหรอกครับถ้าสังคมปล่อยสิทธิได้ขนาดนั้นสังคมก็ไม่เป็นสังคมนะฮะนี่ก็ ค, คือคือคือสังคมเองจะต้องทบทวนแล้วรัฐบาลเองจะต้องเข้มแข็ง คือถ้าละเมิดสิทธิก็คือผิด ก, กฎหมายใบไงคือให้ผิด ก, กฎหมายเลยครับผมถ้าถ้าปล่อยให้ทํากันอย่างนี้ในสุดปิดถนนก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมหมดเลยนะวันวันวันนี้ได้ยินสวเขาพูดออกนะเป็นสิทธิของเขาสิทธิอะไรเป็น <laughs> สิทธิอะไรมันไม่ใช่สิทธิมันต้องมีพุท ธ, ธิภาวะเพราะว่าเป็นปริยาเอกแล้วเนี่ยมันต้องมีพุท ธ, ธิภาวะ ครับที่จริงวันนี้มานึกจะพูดเรื่องนั้นได้ทําไปเรื่องมาตรวัดนะมาตรวัดมาตรวัดสําคัญที่สุดว่าจริงๆสังคมมันเรามันพัฒนามาจนถึงระดับมีมาตรวัดหมดแล้วครับแต่ว่าเราละเลยกฎเกณฑ์ตรงนั้นมันก็แทนที่จะใช้หลักเกณฑ์หลักการไปใช้หลักของตัวเองครับที่มันยุ่งเนี่ยครับเวลาเนี้ยนะลองลองลอ ง, ลองสังเกตว่า อย่างวัฒนธรรมเขาก็มีหลักของเขามีมาตรของเขาแต่กฎหมายก็มีมาตรของเขาแล้วก็ศีลก็มีมาตรของเขาธรรมาก็มีมาตรของเขาแล้วเราก็ไม่ค่อยไม่ยอมรับคือใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักครับและสังคมไม่ควรยอมจํานวนกับคนเหล่านี้ครับเอามาม า, มาไม่ไม่เคยสนใจฮะคือคือเคยไปไปสถานที่หนึ่งจนทุกวันเนี่ยก็ไม่กลา้าในหมดเลยก็กังวลปนทวงฮะ บางมาทวงตะโกนด่าพอกันเรียงปิดถนนหยุดรถไฟครับแล้วก็ตั้งแต่วัดนั่นกันไม่ไม่เคยหยุดรถไฟนะแต่ว่าเล่ลนเแรงมากเลยวอนนั้นบอกบอกมันไม่ได้ในคุณเป็นภรรยศต่อต่อผู้มีอุปกรณคุณอ่ะครับผู้โดยสารรถไฟนะแต่ละคนมีอุปกรณต่อคนครับแต่เขาไม่ขึ้นรถไฟไม่ใช้บริการคุณคุณอยู่ไม่ได้หรอกคุณไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรอก ควรต้องสํานึกกตัญญูวิธีการของคุณเหมือนวิธีการของโจปรปล้นธนาคารแล้วออกมาเจอคนเดินถนนและจับคนเดินถนนไป็ตัวประกรันนี่ใช้ไม่ได้ครับเราก็พู้ก็ได้ผลนีนะฮะก็ตั้งแต่วันนั้นมายังไม่มีการประท้วงแนวขนาดนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รับนิวนิวอีกเลยก็ดีนะะแต่ว่ามันมันถ้าแก้ปัญหาได้เราก็พร้อมจะทําครับ ครับขอบคุณที่คุจานครับสําหรับแฟนรายการนะครับที่พลาจการฟังปาตกระถาธรรมนะครับทางพระเด็กเสด็จพระมหาฯนะครับก็จะนําปาตกระถาธรรมของที่คุยจานวันนี้นะครับซึ่งเยี่ยมมากเลยนะครับก็ท่านณาจารย์ของมหาลัยศรีปทุมหลายๆท่านนะครับก็มานั่งฟังแล้วก่าวกับผมมากเลยนะครับผมก็เยี่ยมมากจริงๆเลยนะครับเป็นปาตกระถาธรรมที่อเกี่ยวกับเรื่องนะครับ พุทธศาสนาโดยเฉพาะเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับความเป็นจริงในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกอาจารย์ประกถาไว้วันนี้ดีมากเลยครับประมาณห้าสิบนาทีนะครับก็จะนําออกอากาศในรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบภูมในนะครั้งต่อไปนะครับก็ขอเชิญฝ่ายการติดตามได้นะครับสายที่สามาหรอกอยู่ครับสวัสดีครับฝ่ายการครับสวัสดีครับแล้วประการคุณเจ้าขอถามพระธรรหนึ่งข้อนะคะค่ะหรครับจะเลยครับ คืออย่างนี้นะค ะ, ะเ่ยวกับปัญหาเรื่องที่ว่าพระให้สวยนะคะคบ่อนนั้นที่มีข่าวอยู่ข้างหนึ่งนะคะ แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไปอยู่แถวตละดบุรีครับคะไปอยู่แถวลงโม่อะไรเงี้ยแล้วคนแถวแถวบ้านใกล้ใก้เชียงที่ขั้นสูงอยู่เนี่ยเขาจนแม่เขาจะชอบไปหาไปข อ, อหวยครับคะแล้วไปขอหวยแล้วถ้าอย่างผู้ชายไปเนี่ยเขาจะเอาไม้จับฟันจำท้องจำหลังอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไม้จับฟันพวกมือแล้วก็แทงเล็บอย่างเงี้ย ค, คนแถวนี้กลับไปเนี่ยเขาได้แกันมาทุกคนเลยและอย่างนี้ในใจะนับถือว่าเป็นพระอยู่เลยคะ่ะได้อย่างนี้เ่ย ย่งยิ่งข้าพรรษานี่นะคะก็ต้องถือศีลใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้ไปอยู่อย่างนั้นศีลไม่ขาดหมดนะคะแต่ฉั้นว่าตัวฉันเองฉันไม่นับถือท่านว่าศีลผ่านนะคะเรียกท่านว่าอารัชีค่ะจะถูกต้องไหมคะขอถามมหาพ่อคุณเจ้านะคะดีนะคะขอบคุณมากคับคือมันกรณีนี้มันเป็นอาญากรรมไปแล้วนะยศคือควรแจ้งตํำรวจแล้วมันมันพลาดไปคุมก็ไม่ถึงแล้วก็แสดงว่าเขาก็หมดจากความมันพลาดไปแล้วด้วยซ้ําไปครับ วิธีการมันไม่ใช่วิธีการของพระเนี่ยแล้วก็เมื่อเมื่อมันนอกกรอบของพระพระก็ไปทำอะไรไม่ได้ต้อง <Okay. S 2> แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นเองมันเป็นกฎหมายอาญามันผิดผิด <Okay. S 2> ละเมิดต่อชีชวิตอ่ะท <Okay. S 2> าให้เกิดบาดแผลบาดเจ็บก็ต้อ ง, ต, องต้องแจ้งตารวจได้แล้วคนอยู่แถว น, นั้นแจ้งได้แล้วครับ <Okay. S 2> ผมนครับ <Okay. S 2> ผมขอบคุณครับ022413315นะครับ โทรศัพท์สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับขอที่นะครับแฟนรายการหลายท่านอยากจะผมตบทวนหน่อยนะครับว่าจะจดหมายมาขอหนังสือสุจริตรงานนะครับได้ที่ไหนนะครับก็จดหมายมาที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริทุมนะครับเลขที่หกสิบเอ็ดปรลนโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งศูนย์เนะครับจะจัดส่งไปธรรมบันด า, าการโดยท่านพลเอกเสรีผุกมาแ ล, และท่านดรชนีปปพเผูย้ย่อพรบุกมานะครับแก่แฟรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริภูมทตุท่านโดยเฉพาะเลยนะครับ เป็นหนังสือสี่สีสวยงามนะครับหกสิบหน้ามีประวัติถึงคุณผูจารย่างทั้งหมดครบถ้วนบริบูรเลยนะครับท่านจารย์ครับวันนี้มีแฟนในการฝากถามมาเยนะครับถามว่าการต่อสู้กับ เอ่อสี่งต่างๆที่เข้ามาแผ่ผ่านทุทศาสนานะครับทุกคนจันครับทําไมแบบถึงว่าพระบางองค์ถึงไม่ค่อยฆ่าครับทุกคาจารย์นี่จะเป็นหัวของอะไรตลอดเวลาอะไรครับทุกคนจันครับแล้วถามว่าถ้าคาจันท้อบ้างหรือไม่ครับเวลาเจออะไรกระทบทุกคนจันอหมมาไม่ท้อหรอรู้สึกมันดีเลยทำไมครับแล้วก็ไม่เคยโกรธนะฮะคือคือสบายมากๆเลยแล้วเราไม่มีวิตร์กังวลไม่เครียดไม่หวาดระแวงไม่เดือดร้อนอะไรครับอามาว่ามันอยู่ในการตีความ ตีความพระพุทธศาสนาครับแต่มาเองนั้นมองว่าพระเราผอบวชปั๊บเนี่ยมันมีหน้าที่ติดมาโดยการบวตในมณฑลอุปสมบทเมื่อเราเกิดใหม่ถูกต้องครับหน้าที่ของเราในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยมันติดมาจับ ก, กับการเกิดโดยไม่จําเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งครับเพราะฉะนั้นพระเราเกิดปั๊บมานี่มีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่เผยแผ่มีหน้าที่ดูแลรักษาพระาศาสนาเป็นหน้าที่หลักครับผม ทุกคนต้องสำนึกรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าคนบางคนก็อาจจะกลัวหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งมากพอในเรื่องเหล่านั้นเราก็ไม่กล้าแต่แต่มาเองคือถ้ามีปัญหาแล้วก็ตั้งในไหนตะไรมานะฮะคือตั้งได้อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่ชอบมาพากลนก็ไม่ได้ ต้อ ง, ต, องต้องพูดกันให้รู้เรื่องชาวบ้านขอรับศีนยำนั่ ง, งดื่มเหล้านี่ไม่เอาไม่ให้คือคื อ, คอเราเราเร า, เราต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนมันไม่ใช่ยอมจํานวนกันไปหมดครับสังคมมันต้องมีกฎเกณฑ์่ะในการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าดีเราก็มวนธนาถ้าไม่ดีเราก็ชี้แจงคุณควางก็ดีไม่ความก็แล้วไปก็ไม่ต้บาดอะไรครับแต่ว่ารรเราได้ทําหน้าที่ของเราในฐานะเป็นพระแล้วในฐานะเด็ก ครับผมขอบคุณท่อาจารย์มาครับก็มีภาพหลายๆรูปนะครับที่มางานวันนี้นะครับรู้สึกว่าอยากจะนําอะไรครับที่านอาจารย์เป็นโลโมเดลนะครับเป็นแบบอย่างนะครับผมก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับสายที่สี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญสถานที่เลยครับครับเออโค้สถานตัวไหคือควนโดเราถัเป็นนะครับเพรกิดจังหวัดสงกล้าเนี่ยบริตูตู้ด้วยอ๋อได้ครับได้ครับ สอบถามมาได้ครับลือผีดีถือถือผีอะไรครับแล้วก็ที่อยากรู้ว่าเขาเขาเข้าว่าจไงครับครับเป็นลือผีนี่ต่อการเป็นลือีใช่ไหมครับครับถือถือผีด้วยถือีอะไรครับครับผมงั้นงั้นตอนตอนี้รับฟังอยู่ทางจังหวัดสงขาเลยครับครับครับครับเดี๋ยวเจ้าพนักงานจะตอบให้ตอนตอนนี้เลยนะครับ ครับับก็ฤาษีส่วนใหญ่จะถือศีลแปดนะฮะถือศีลแปดถืแปดหรือศีลห้าก็แล้วแต่ครับผมก็แบบอุบาศกนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไปปฏิบัติแบบอุบาศกแต่ว่ามันมีความคล่องตัวกว่าพระเพราะว่าเขาสามารถพกพาเงินพอไปไหนมาไหนได้พระมันก็มีปัญหา ก็กที่จริงก็คือคือแนวแนวผสมปนเปกันระหว่างความเชื่อทางลัทธิพรามกับความเป็นอุญบุคุลก็ดีนั่นแหละการรักษาศิน5้าหรือสิน8คนเราขอได้สินหข้อเถอะนะครับคือคือความไม่ใช่ลุงพ่อตอว่าอะไรสินห้ารือสินะไรครับอ๋อถ้าส่วนใหญ่จะรักษาศิน8ปดนะแต่บางคนรักษาศิน5้าก็แล้วแต่คจะรักษาินแ แต่แต่ที่ได้ก็ได้ใช่ไ้มครับได้ได้ฮะแล้วการเท่านี้ก็ทาคนเดียวได้ยังไงครับก็ต้อเป็นฤสีไม่ก็จริงจรงอธิษฐานใจเอากแค่อธิษฐานใจเอาครับผมไม่ไม่มีรูปแบบครับไม่ไม่มีรูปแบบเหมือนทางพระสงฆ์นะครับอ๋อไม่มีรูปแบบครับไม่มีอุปชาอะไรเหมือนทางพระสงฆ์ไม่ไม่ไต้องแล้วก็ ก็อาจจะสมาทานศีลจากพระแล้วก็ไปอยู่เป็นฤาษีก็ได้ครับหรือว่าอธิษฐานศีลก็ได้ครับผมครับสวัสดีนะครับเป็นรายการครับครับจากสงขานะครับทุกผู้รายการสงขานะสงขาครับผมครับหลายหลายจังหวัดเลยนะครับฟังรายการเสีลธรรมจากศรีปทุมนะครับก็ได้ยินชัดเจนเลยนะครับจากภาคใต้นะครับเมื่อกี้นี้กันจัดสงขานะครับถามเรืงฤาษีครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับเป็นรายการครับนรัสการและสวัสดีครับจะถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ คือโลกิยมักกับโลกุตละมักนะคืออะไรนะครับโลกิยมักแล้วก็โลกุตละมักนะครับคืออะไรนะครับครับผมสาวสุราเจ้าเจลิญบุรีสงสัยคือคือมัอน่ะมันหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิมักนะมันก็ยังอยู่ในโลกิยมักอยู่นั้นแหละ แต่พอเข้าไปถึงเป็นเป็นเป็นโสดาปฏิมักโซดาปฏิผลนะสกัดคายมักอะไรอะไรก็มันก็กลายเป็นโลกุตระมักแต่ว่าเนื้อหาสาระมันก็เป็นเป็นนั้นแหละเป็นใจติขาเป็นอริมัคเป็นองแปดประการนั่นเองคือมันอยู่ที่ความเข้มข้นความเข้มข้นระดับหนึ่งเป็นโลกิยะความเข้มข้นระที่สมบูรณ์ขึ้นไปมันก็เป็นโลกุตระระดับโลกุตระเขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ระดับโลกิยะมันเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าท่านนั้นเองก็ก็ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างนั้นแหละเราจะเห็นว่าเอที่จริงมัคเนี่ยมันมันอมัคคำคําว่าโลกุตระมัคในหมายถึงโสดาปฏิมัคึ่งเป็นผลมาจากการบําเพ็ญเพียรระดับอริยมัคคือศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันจะเกิดมัคขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมัคมันก็เป็นผลแต่อย่าลืมว่ามันขณะจิตเดียวแต่นั่นเองมัน ก็เรียกเรียกแผนกันได้แหละสองอย่างนะคุณว่าที่จริงก็เรียกให้มันยุ่งๆเดี๋ยวคนเกิดความสับสนไม่เฉยๆหมุ่มติดกันนั่นแหละครับผมขอบคุณที่ร่วรย์ครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับแต่ละการครับสวัสดีค่ะแล้วระอาจารย์คุณแกด้วยนะคะขอถามว่าถระธรรมจารยรู้กฎหมายถึงอะไรฟังครับแล้วเราเราฟังอยู่ที่ไหนครับท่านโทษครับ ดออจนสดวกอ๋นวนสะดวกนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพระธรรมจาริกมันคู่กับพระธรรมทูตดมแต่ว่าธรรมจาริกเนี่ยเขาใช้พระที่เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางเหนือขึ้นไปเขาหาชาวป่าชาวเขาก็เรียกพวกนี้กลุ่มเนี้ยเป็น่วยงานที่สนับสนุนโดยกรมประชาสงเคราะห์ ครับคือธรรมทูตนั้นสนับสนุนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ว่าถ้าธรรมจาริกเนี่ยก็แสดงว่าสนับสนุนโดยกรมระชาสงเคราะห์คนดำเนินงานก็คือเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือก็คือวัดวัดเนียวัดบางน้ำเนี่ ย, นนนยก็พระนักเผยแผ่ในช่วง ในช่วงส่วนมากก็เมษาเมษาพิสพาเนี่ยเดินทางจาริกไปพบปะประชาชนบางทีก็ไปอยู่ร่วมกับประชาชนไปสั่งสอนธรรมะแล้วก็นำลูกเต้าเขามาให้การศึกษาอบรมตั้งโรงเรียนสอนพวกชาวเขานะฮะพวกอยู่บนพื้นที่สูง เรียบต่างกันนะแต่เรื่องงานอันเดียวกันนั่นแหละเรอาดัครับขอบคุณครับทุกคนแต่ครับสายที่หกครับสวัสดีครับแฟนรายกรครับครับเาเขาเอาเรื่อเลยนะครับครับผมออผมได้เห็นเอ่อภาพใดสือพิ่นเมื่อไม่นานมานี้นะเกี่ยวกับว่าสังขะพมาลายสังขะผมผมผมก็ไม่เคยเห็นทํานยนี้มาก่อนนะผมว่าสดสดมนแกลนะฮะสังขาวัตถุ สลับกับการสวดอภิธรรมแต่ที่แปลกก็คือว่าผมเห็นแม่ชีเนี่ยใช้ตาลปัดนะฮะในการสวดเอที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นเป็นยังไงมีมีมีในพุทธศาสนาบางไหมครับการสวดอย่างนี้ครับเทนนั้ครับกลับแล้วก็จะกิยุสนะครับขอบคุครับที่มากครับ คือสังฆะพระมาลัยเนี่ยก็สวดแนวทำนองสรพัน ญ, ญะนั่นแหล ะ, ะแต่ว่าเอาคาถาพระมาลัยในเรื่องพระมาลัยเทวเทนมาสวดสวดมากเขาสวดเฝ้าผีในท้องถิ่นชนบทสวดมากแล้วจะอยู่ภาคกลางสังฆ ะ, ะมาลัยเนี่ยจะอยู่ที่ภาคกลางเขาเรียกสวดมากก็ชาวบ้าน เขาเีสวดเครื่องหรหัสบางทีเขเรียกสวดเครื่องหรหัสส่วนไม่ชีใช้ตาลปัดมันก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะนะเพราะว่าตาลปัดที่จริงก็ไม่ใช่บริขารของพระเราเรื่องเกิดใหม่เข้าใจว่าเกิดที่ลังกานะเพราะว่าสำนวนเรื่องตาลปัดพัยดยศอะไรต่างๆเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีครับก็ก็หมายความว่าตามประวัติมันก็บอกว่าเกิดที่ลังกาไม่ชีก็คืออุบาสิกา นะแล้วก็ถ้าท่านใช้ตละปัดท่านก็ไม่ทำเหมือนกับพระหรอกจะ <Okay. S 2> ทำอีกแบบหนึ่งเพื่อให้แตกต่างกันสดมากแล้วก็จะเป็นใบาตาน hmm. ก็เป็นอะไรล่ะปิดบังใบหน้าตัวเอง <Okay. S 2> คือคือสวดพวกเนี้บางทีปากเนี่ยมันอ้ากว้างอะไรตอวไหเนี่ยคือมันมันขึ้นตามจังหวะของเสียบซ okay. <Okay>. okay. ึงคนไทยเราไม่นิยมพูดอ้าปากกว้าง มันไม่เหมือนกับพวกฝรั่งเวลานี้เด็กเด็กสมัยนี้ก็ไปเรียนฝรั่งเราต้องแหกปากอ้าปากว้างของเราพูดอะไรเราก็ไม่ค่อยค่อยค่อยพูดครับอาารครับอันนี้ก็ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งนะครับก็ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับความอุศบนะเชื่อความอุศบขอบคุณเจ้าหจ่ายที่สายที่เจ็ดครับสวัสดีครับครับผมการจะขอเรียนถามคำถามกับท่านเจ้าคุณนะครับ อสองคำถามนะครับคือผมมีความประสงค์อยากจะบวดให้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่า อ, อคือว่าผมมีจิตกำนัลใ่เช่เดียวกันไม่ทราบว่าจะบวชได้หรือไมอ่ถ้าถามว่าบวชไม่ได้เ อ, อควรจะบอกกับพ่อกับแม่อย่างไงดีครับจะขอฟังทงังวิธีนะครับดีข้อเดียวนะครับครับครับขอบคุณมากครับ ก็จะอธิบายแม่ฟังกันนะฮะวันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นบินัยเขาห้ามอ่ะครับเขาห้ามคือเป็นพวกกลุ่มเดียวกับพวกอะไรหลายๆอย่างกระทงกระเทยเนี่ยแต่เนี้ยก็เรียกอะไรกัไม่รู้ภาษาทุกวันก็ก็ถ้ามีอย่างนั้นมันมันไม่ได้คือปอบวชแล้วเนี่ยมันจะไปวุ่นวายกับพระคเนนครับท่านครับก็เล่าให้ฟังนะฮะที่แจงให้เกิดความเข้าใจ อรงนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดด้วยนะฮะบวชแล้วก็ไม่เป็นพระโดยชอบด้วยร อ, ร อ, รอยไหนอ๋เนเอปเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลสิบเอ็ดประเภทนะฮะสิบเ็ดประเภท่ก็ห้ามเด็ดขาดครับ้นมีทั้งหมดสามสิบกว่าประเภทอืแต่ว่าอีกยี่สิบกว่าเนี่ยเขาไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดจะพระจะผูกเข้าไปก็ไม่ว่ากันแต่ว่าปรับประวัติพวกที่จัด ก, การบวชให้บกพร่องไม่เรียบร้อยไม่ตรวจสอบไม้ดีครับแต่ว่าคนบวชก็คงเป็นพระแต่ในกรณีนี้ไม่ควรบวชนะฮะไม่ควรบวชแล้วก็ อบอกแม่ให้เกิดความเข้าใจทำความดีให้แม่สบายใจไม่จําเป็นต้องบวชหรอกฮะคือที่ว่าบวชให้พ่อแม่นั้นมันเป็นความเชื่อเฉยๆความดีต่างคนต่างทําต่างคนต่างปฏิบัติลูกทําดีลูกก็ได้ดีแต่ว่าลูกบวชแม่บางเกิดปีติเ อ, อิบอิ่มขึ้นมาแม่ก็ได้อัมโมทนาอครับนะแล้วก็ช่วยเหลือทําบุญดักบาตรอะไรๆก็ที่จริงก็บุญแม่ก็ทําเองนะั่นแหละคือ <บ S 2> <c oughs> อย่าลืมว่าบุญเนี่ยทําแทนกันไม่ได้ครับ เราอนโมทนาบุญหมายความว่าเขาทำบุญอนโมทนาเนี่ยมันเพื่อบุญแกเราไม่ใช่เพื่อบุญให้เขาเขาก็ยังบุญเท่าเดิมใช่ไหมการอนโมทนาเนี่ยไม่ได้หมายควา ม, มาเอาบุญมาจากเขามาให้เราแต่มันเกิดจากเราอนโมทนามันเป็นบุญกัละข้อกันเช่นว่าเขาให้ทานเราอนโมทนาเราเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ เขาให้ทานเขา อ, อุทิศให้เราเราก็บำเพ็ญปัตตานนโมทนาใหม่คือบุญที่สำเร็จโดยการอนุโมทนาผลบุญที่เขาให้เราอะ่ะใช่ไแต่ว่าถ้าเราไม่อนุโมทนามันก็ไม่เกิดแก่เรา เมื่อก็ครูสอนหนังสือถ้านักเรียนไม่ควังก็ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับนเหมือนกับวันนี้ที่เราจะกวดจันได้ประกาศธรรมเนี่ยถ้าคนฟังนั่งสบงบ ก, ก็ไม่ใช่คร <c oughs> ับผมครับผมก็สายสายทําไปสายที่แปดนะครับสวัสดีครับฮัลโถามขอเลยนะเชิญเลยครับคืในพระพุทธเจ้าผ่านมาหลายโค้งแล้วจะมียุคไหนบางที่มีแบบมนุษย์แบบมนุษย์ต่างดาวเนี่ยธรรมาคัคคาขายกันระหว่าง ดวงดาวต่างๆครับมีไหครับครับผมแล้วฟัจากพี่นะครั บ, บ, บ, ค, รบคื อ, ค, อคือต้องเข้าใจว่าถ้ามนุษย์เอต่างดาวที่มาสู่โลกมนุษย์ได้เนี่ยมันเป็นเทพเป็นพรหมไปแล้วไม่มีธรรมาค่าขายหรอกธรรมะค้าขายเจ้าของมาได้ไงหรอคือท่านมาท่านมาแบบก็เรียกว่าอันตรธานไปจากที่หนึ่งไปปรากฏในที่หนึ่งถ้านึกถึงความคิดเลยจะชัด ว่าเราคิดไปอเมริกาเนี่แป๊บเดียวถึงนะคิดกลับคิดไปคิดกลับคิดไปคิดกลับนะหน้าที่หนึ่งเราก็คิดได้หลายสิบครั้งแล้วไอ้ น, นี่กลักษณะอย่างนั้นแหละไม่ได้มีการติดต่อธรรมมาค้าขายอะไรหรอกแต่ว่ามาดูแลสารทุกสุข ด, ดีมาช่วยเหลือก็อกูลกันนู้ก็มีทุกาศาสนานั่นแหละครับผมแต่ว่าธรรมมาค้าขายเราพูดแบบแบบสังคมโลกมากเกินไปโลกเป็ น, น, นโลกนิยมแต่ว่าโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโลกไม่ใช่อย่างนั้นครับครับสายที่เก้าครับสวัสดีครับ ท่านลูกคุณในเขาว่าการถวายเงินพระที่ถูกควรทำยังไงคขาเอามีเคิดว่าจะมีปัญหามาครับครับครับขอบคุณการถวายเงินพระที่ถูกต้องควรจะถวายยังไงบ้างครับท่านผู้ใจก็มอบให้แก่เวยาประชากรกับพระเราก็อาจจะใช้ใบปรรนาหรือว่ากล่าวด้วยปากก็ได้แต่ว่าอย่าประเคนนะฮะอย่าประเคน เรือจะวางไว้ในที่ที่ท่านเห็นแล้วท่านก็บอกเด็กให้ไปเก็บก็ก็ธรรมดานั่นแหละแต่สรุปว่าอย่าใช้วิธีประเคนเลยคือช่วยกันรักษาวินัยของพระไว้หน่อยก็ไม่ได้พระเองก็ไม่ได้ลำบากจากเย็นอะไรที่จะต้องไปถือเงินเองคือคือวินัยนี้มันมันก็ชัดเจนนะนะว่าจับต้องไม่ได้โลกสิ่งทองเงินและสิ่งใช้ทองเงินใช้แทนทองเงิน แล้อย่างญาติโยมบางท่านบอกว่าไอ้กูบอกว่าส่งให้วยายวิจกรจะไม่ถึงจ้ากูจะอย่าไม่ไม่ไม่ถึงพระทําไงดีกันอืไม่ใช่ไปปภาวนาไม่ล่ะคืออก็วายายวยากรของพระลูกนั้นก็ต้องถึงนีู่แล้วจ้าพของพระลูกนั้นขามครับผมครับยังไงก็เออท่าที่ปรึกษาบอกไว้นะครับฝากไว้นะครับสําหรับเรื่องการตั๋วายเงินนะครับครับผมสายที่สิบครับผมสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีครับฮัลโหลครับผมท่าสอบถามได้เลยครับครับคคือคือผมอยากจะกเรึกษาถามท่านากัคุณนะเป็นเป็นเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ในในในไตรลักษณ์กับทุกข์ในในอริยสัพเียเนี่ยผมเดิมผมเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยนะผมความเข้าใจเดิมก็หมายถึงว่าไอสภาพอดทนอยู่ได้ยากการบีบคั้นอะไรจำนองนี้นะถึง<ม>พอ ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับคือปัจจุบันนี้ผมยังมียมาโททางด้านาศตรัสแสตร์ทางด้านปัจยาอยู่ที่มาลายแห่งหนึ่งนะฮะก็ไปอ่านหนังสือแบบเป็นพื้นฐานตรงนี้แล้วก็มันเห็นเขาอธิบายว่าต่างคือทุกใบใจรักเนี่ยอ่ากว้างขวางก ว, ว่าครอบคุมทุกอาเรียสในอาเรียสสติครับที้ผมอ่านเนี่ผมก็เข้าใจยากเหมือนกันแตนี่เป็นี่ว่าจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ที่ ที่จะจำอย่างนี้มันมันต่างกันยังไงเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับคือคือทุกในตจลักเขาเรียกว่าทุกขตาเป bon ็นสามัญลักษณ์คือลักษณะที่เสมอเหมือนกันหมดทุกส่วนในโลกยกเว้นพายในผ่านอย่างเดียวครจะอยู่ในกรอบของธรรมะทุกทั้งหมด กรอบข้อเขาคือหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสองคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะสามขัดแย้งต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าสุขแล้วก็สี่มีการแผดเผาก่อเ ก, กิดความร้รอนตรงเนี้ยส่วนมากที่เราคิดเป็นทุกขเวทนานทีนี้นทุกใน ท, ทุกสัตว์อะทุกในทุกสัตว์เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากอวิชาก็คือว่ากิเลสกรรม สร้างขึ้นเป็นบิญยาณแล้วก็กลายเป็นนามรูปเกิดเกิดแก่ตายนะฮะเกิดแก่จะตายเนี่ยเป็นทุกข์หมายความว่าเป็นความทุกข์ที่มีผู้เสวยครับซึ่งแน่นอนมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยด้วย<อ>แต่วา่าถ้าเราไม่ยึดติดมันก็ไม่ทุกข์แต่ว่าโดยสามัญญลักษณะในยึดติดหรือไม่ยึดติดมันก็ทุกข์อ่ะจะเนี้ยไมโคโฟนมันก็ทุกข์เพราะมันผสมกันหลายส่วนใช่ไหมฮ<ม>คือคำว่าทุกข์เนี่ย เป็นเป็นอองค์ประกอบของเขาคือเกิดมาจากเหตุปัจจัยต่างๆเมีเหตุจากหน่วยย่อยปัจจัยหลักกับปัจจัยประกอบหน่วยย่อยที่สุดก็เป็นอนูเป็นบรมนูครับมันไม่จําเป็นจะต้องมีผู้เสวยถ้าเป็นทุกขตานะคแต่ว่าเอทุกขศาสต์ต้องมีผู้เสวยครับต้องมีผู้เสวยจึงเราจึงเราเรียกว่าทุก์ครับ แล้วพระพุทธเจ้าจึงไปสรุปไปตอนสุดท้ายสังกิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานกันธาทุขากล่าวโดยสรุปจิตที่ยึดมัน่นถือมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยว่าเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี้เรียกว่าทุกข์<ม>นะคือหมายความมันสืบเนื่องมาจากกิเลสพูดง่ายว่สืบเนื่องจากกิเลสแต่ทุกขตาเนี่ยใ น, ในในไต่ลักษเนี่ยกิเลสหรือไม่กิเลสต้นไม้ภูเขาเนี่ทุกบทเลยถนนล้มทางรถร้าย แ, <ต>แล้วแต่เลยทุกหมดเลยเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ครับ แต่ไหมะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บังก็ถูกแผดเผานี่ยแต่มันไม่เร่าร้อนบางอย่างเนี่ยนะบางอย่างมันไม่เร่าร้อนเพราะไม่มีจิตเป็นตัวสเเวยอารมณ์ฝันครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับวันนี้มีนิสิตปิญญาเอกนะครับที่เป็นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์แล้วก็นิสิตปิยโทหลายๆท่านนะครับทั้งตีโทเอกเลยนะครับวันนี้มางานถวายปิญญาท่านอาจารย์เยอะมากครับท่าอาจารย์ครับ การศึกษาเราเนทางพศาสนาเนี่ยทายังไงถึงจะแตกต่างในกุศอาจารย์ครับว่ามีประเด็นหลักในการจําถึงต่างครับคือคือมาว่ามันระบบการศึกษาที่พระเจ้าสงวางไว้เนี่ยหนึ่งก็คือประสบการณ์มากแล้วก็จำแม่นแล้วก็จําจําได้แล้วก็แม่นยําแล้วก็นํามาคิดคแล้วก็จนเกิดเป็นความเข้าใจ หนังสือที่มาแจกไปนะหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยวันนีครับเอ่อเสริมสร้างสู่ ส, สุข ส, สันต์เนี่ยนะที่จริงก็เป็นเป็นการให้คนมองธรรมะแล้วมาก็มีโจทย์คําถามไว้ตอนสุดท้ายนะให้ลงคุณคิดดูสิว่าเนี่ยสามีเป็นยักษ์พัญญาเป็นยักษ์สามีเป็นยักษ์พัญญ า, า, าเป็นเทธิดา อ่าพัญญาเป็นยักษ์กินีสามีเป็นเป็นเทพประบุะบแล้วก็พัญญาก็เป็นเทพบุตรสามีก็เป็นเทพธิดาไอ้นี่คือลักษณะของอะไรครับให้คุณลองคิดดูสิอธิบายลองดูทีว่ามันมันมันหมายถึงอะไรไอืมอันนั้นมันเป็นรู ป, ปรธรรมที่เราเห็นโดยพฤติกรรมเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาทำยังไงจึงมีลักษณะของยักษ์เขาทำยังไงเขาพูดยังไงเขาคิดยังไงจึงมีลักษณะของเทพธิดาครับงั้นเอามาจะตั้งโจทย์ไว้ในตอนสุดท้ายเนี่ย ให้คิดแต่ว่าแทนที่จะมองอะไรมิติเดียวเนี่ยมันมองทะลุมิติไปเช่นเราเห็นดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยเราต้องนึกว่าดอกไม้เนี่ยมันที่เหมือนกับดอกนี้ก็มีที่ตรงกันข้ามกับดอกนี้ก็มีที่คล้ายคลึงกับดอกนี้ก็มีที่พายเพียงแผลเผลียงกับดอกนี้ก็มีแสดงว่าดอกไม้มีสี่ประเภทใช่ไหมแล้วเราจะคิดอะไรไปได้เรื่อยๆเช่นเขาบอกว่าปัญหาเวลาเนี้ยที่มันยุ่งเนี่ย คือคนไม่รู้ไม่ชี้รเราจะเห็นว่าถ้าไม่รู้ไม่ชีก้ก็จะไม่ยุ่งใช่ไหมทีนี้รู้แล้วไม่ชีก้ก็ร่วงยุ่งนะรู้และชี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ตระนั้นแสดงว่าคนมีสี่ประเภท เราพฤติกรรม oh. ใช่ไหแล้วก็คิดเราคิดต่อออ oh. ไม่ใช่คิดอยากสิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวคล้ายๆเห็นงูหนึ่งตัวเนี่ยมาต้องนึกว่างูอย่างเนี้ยประสบการณ์แน่ดีของเราเห็นเห็นงูมาเยอะไอหัวมันขนาดเนี้ยตัวมันขนาดไหนยาวขนาดไหนครับโดยไม่จําเป็นต้องเห็นครับใช่ไหมแต่เราสามารถประมาณการเราได้อนุมานเราได้นี่ก็คืออะไรล่ะเป็นเป็นการมองในมิติของพุทธ ไม่ได้ยึดติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าคุณคิดเป็นอย่างนี้แล้วก็ในสุดคุณจะยึดติดแต่ว่าถ้าเรามองว่าคนเนี่ยมั น, ม น, มนเปลี่ยนแปลงคนนี้เป็นคนเลวใช่ตอนนี้ก็ทําเลวก็วเป็นคนเลวแต่แต่ต่อไปก็ทําดีเขาก็ต้องเป็นคนดีสิใ ช, ใช่ไหรเราดูที่การกระทําของคนเราอย่าดูคนถ้าดูคนคุณก็จะเอียงที่คนเนี้ เมือกันท่านายกก็เห็นไหมมีคนกลุ่มหนึ่งก็ด่าตลอดครับทํางานจอกจอกๆอกจไม่หลับไม่นอนเพื่งยังด่าอย่างนั้นไอ้นี่ก็คุณมองคนไม่ใช่คุณมองกรรมครับคุณมองที่กรรมก็สิครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าไอ้ที่เขาทําดีล่ะทําไมคุณไม่ยกย่องเล่ะครับไอเรายุ่งเนี่เรามองคนที่คนไงครับแต่แต่เราต้องมองคนที่กรรมครับการกระทําของเขาเป็นการกําหนดเขาทาดีเขาก็ดีของเขาก็ทําชั่วยเชั่วของเขาครับ ก็ารับผิดชอบในในในตัวของเขาด้วยการกระทำเขาเองทีงนี้มันมันสังคมพุทธเนี่ยเสียอย่างเน่ยคือไม่ค่อยคุยต่อมะครับเรียกธรรมะทำมวยคุยธรรมะไม่ก็ได้แล้วก็ทะเลาะกันเพ <laughs> ราะงั้นจึงไม่พยายามหาความเข้าใจ ใ, ให้พยายามเข้าเข้าใจว่าเนี้อย่างยามที่มาปาตากปาตกถา วันนี้คือศีลเนี่ยอย่าลืมว่ามันต้องเกิดจากการยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันแล้วไม่ล่วงละเมิดกันนี่คือศีลคุณจะเรียกว่ากฎหมายคุณจะเรียกว่าจารีตเรื่ก็ไม่รู้อะแต่มันศีลปกติมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ามนุษย์มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นครับศีลนน่งดเว้นไม่ไม่เบียดเบียนใครแต่ยังเป็นเราเป็นเขาอยู่ เรายอมรับสิทธิในชีวิตขาสิทธิในคู่ครองสิทธิในทรัพย์สินเขาสิทธิในคู่ครองเขาวสิทธิในการรับขังข้อมูลข่าวสารเมื่อเราต้องการสื่อสารกับเขาเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารด้วยความจริงครับอันนี้ก็คือก็คื อ, คอหลักครับผมหมายความยังไงหมายความว่าคุณต้องมองโลกด้วยความเป็นนิสตแต่ถ้าคุณเกลียดเขาเนี่ยคุณจะ โอกาสที่คุณจะทำอันตรายเขานี่ง่ายเกินไปนะครับมันไวไฟใช่ไหมมันไวไฟทีนี้ถ้าตรงนี้มันลดด้วยคือคือคือการลดเนี่ยอาจารย์ตรงนี้ก่อคล้ายๆเราเปิดสวิตไฟปั๊บเนี่ยแสงสว่างเกิดปุ๊บความมืดหายปั๊บสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏปุ๊บทั้งสามอย่างต้องปรากฏด้วยกันใช่ครับปรากฏอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับนะไอ้นี่คือเราได้เห็นมันเป็นกฎธรรมชาติครับที่ที่จะมายกตัวอย่างฟังวันนี้ว่าเมื่อความเย็นเกิดในความร้อนต้องลด แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นต้องสบายขึ้นครับถ้าไม่อย่างนั้นไม่จริงครับนไ่มเขาบอกว่าความเย็นเกิดแล้วแต่ความร้อนยังอยู่เท่าเดิมก็แสดงว่าเย็นไม่เกิดเย็นไม่เกิดถูกต้องนะครับแล้วก็คนก็อย่างนั่งร้อนเนี่ยนะเอ๊ะที่จริงเราคิดธรรมดาเนี่คิดธรรมดาก็คือของพระพุทธเจ้าที่จริงเป็นกฎธรรมชาติออืเป็นกฎธรรมชาติวันที่ทลายวันที่ยี่สิบสองเนี่ยมาจะไปปาตกถาเอ๊อะไร เกลี้ย伽裟ทารนสัมพันธ์โอ้ที่ไหนที่คุยใช่ครับที่สุราชที่สุราชธานีเลยนะครับที่สุราชวันที่ยี่สิบสองเลครับคือคือเราจะพูดให้เห็นตรืงกฎธรรมชาติครับจะไม่พูดเรื่องศาสนาแต่จะพูดเรื่องกฎธรรมชาติให้คนคิดว่าเราคือคือส่วนหนึ่งของของธรรมชาติแล้วถ้าเราคิดจากธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีศาสนามันไม่มีไม่มีอิสลามไม่มีพุทธไม่มีคริสไม่มีอะไรมีแต่มนุษย์ครับ มีแต่มนุษย์ซึ่งที่จริงไอ้ความเป็นมนุษย์เราสมมุติเอาเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์มันไม่มีแม้แต่มนุษย์เห็นไฮะสิ่งนั้นไหลป็นศูนย์ครับแต่ว่ากิเลสเนี่ยบอกว่าเป็นตัณหามาณทิฐิเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทิฏฐิมันจะหมดไปความเป็นเราเป็นเขาจะหมดไปแต่ว่าอจากความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มองเด็กอย่างเล่นตุ๊ ก, กาตาเนี่ยมองด้วยการุณาเขื่อนพระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตน พระเจ้าเป็นธรรมะแต่พระเจ้ามองคนที่ยังมีตัวตนด้วยความกรุณาครับแล้วก็นําพาคนเหล่านั้นเข้าสู่ความสลายตัวตนไปโดยดําดับจนเป็นทหารก็หมดความเป็นตัวตนแต่ยังมองคนอื่นด้วยกรุณาใช่ไหมเหมือนกับอาจารย์ซื้อตุ๊กตาไปฝากลูกเนี่ยครับยังไม่มีลูกกระเป๋าไม่รู้ว่าใช่ไหมก็เราซื้อด้วยกรุณาไม่ใช่ซื้อด้วยโลภะเห็นไหมครับเราซื้อด้วยกรุณาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ย มันอยู่กับธรรมะอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามนุษย์ไปยึดติดในรูปแบบมากเกินไปคำถามเนี้ยโลกียามรักโลกุตตรามรักถามทำไมครับครับเจ๊ะไหมครั บ, ค, รบคือคือคุณก็ดูไม่ได้เพราะคุณยังไม่เข้าถึงโลกุตตระครับแต่เมื่อถึงโลกุตระคุณจะรู้ว่าเนี้ยมันก็คือโลกุตตรมรักแต่ว่าคุณก็มองคนที่ยังอยู่ในโลกียะด้วยความไม่ตากสรุ้นะเอ๊ะนะครับผม วันเอสิ่งเหล่านี้เอามาพูดโกโก้เฉยเฉยครับแต่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะครับชัดเจนเลยครับครับแต่เป็นจากว่าสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายนะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้แล้วมาชี้ก็เลยทำให้สังคมวุ่นวายมากเลยนะครับครับผมครับวันนี้แฟนรายการสตรค์คำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับต้องขอกราบขอภายหลายๆสายนะครับโทรเข้ามาไม่ติดสายแน่นมากเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าเราจะนำเอ่อ ปัญหาต่างๆนะครับมาต่อบไพในวันจันทร์หน้านะครับผมก็วันนี้รายการเสียงทรรจากมหาวิทยาลัยสิบดุมขอการาบดาแฟนราการทุกท่านก่อนนะครับขอความเจริญว่าการพิพูนในธรรมมีแด่แฟนรายการเสียงทรรมจากมหาวิทยาลัยสิบดุมท่านครับขอการาบสวัสดีครับ